พวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชะไหนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเหล่าภิกษุตอบไม่เที่ยงพระเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขละเหล่าภิกษุตอบเป็นทุกข์พระเจ้าข่าพระศาสดาตรัสต่อว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือ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 เพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพระมจริย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดี